ในชาววันนี้เราก็ได้ศึกษาบทเรียนรันนี้เพื่อให้จิตของเรามีเป้าหมายมีโฟกัสว่าในจุดที่เราจะทำแต่ละวันละวันถึงแม้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราจะ ก, การสังเกตให้ชัดสังเกตให้ชัดเป็นจุดจุดไปเหนะมือนกะการเดินเราจะเดินแต่ละก้าวแต่เราจะสังเกตแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวไป ให้ชัดนั่นเองเรียกว่าการเดินไปถึงเป้าหมายเหมือนกันบางคนก็ชัดได้หลายก้าวบางคนก็ชัดได้น้อยก้าวบางคนก็ไม่ชัดสักก้าวบางคนก็ชัดได้ทุกก้าวอย่างเงี้ยชั้นใดก็กันเราเรียว่าปฏิบัติการเจริญสติเราทําได้ทั้งวันแต่ที่นี่เราชัดจุดไหนไม่ชัดจุดไหนเนี่ยถ้าเราไม่เน้นย้ําถ้าเราไม่ให้ปบทเรียน กันไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะเพลินไปหลุ่มๆไปไม่กระชับนะเพราะงั้นเราก็คิดว่าเราแบ่งเวลาใช้ เ, ออเวลานี้ต้องทําจุดนี้งานการงานทั้งโลกอะเวลาอันนี้ทำมันนี้เวลานี้ทํามันนี้แต่ทั้งวันก็คือกิจกรรมเรื่องนั้นแหละเราจะทําอะไรแต่เราแบ่งเวลาเพื่อให้โฟกัสสูส่เป้าหมายเป็นจุดเป็นจุดไปอันนี้คือการเป้าหมายที่เราให้บทเรียนประจําวันนะ ทีนี้วันนี้เรา <c oughs> ก่อนที่จะ <c oughs> ให้บทเรียนในช่วงท้ายทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าในสติปัฏฐานสี่เนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในการรู้ชัดเนี่ยที่เราสวดประชานาตนิเป็นส่วนใหญ่เลยให้รู้ชัดในเรื่องกายรู้ชัดในเรื่องเวทนารู้ชัดในเรื่องจิตรู้ชัดในเรื่องอารมณ์ รู้ชั้นที่หนึ่งนะทีนี้ชั้นที่สองก็ได้รู้พร้อมถอดกายเรียกว่าสัมปชัญญการิรู้ชัดเชี่ยวประชานิติชั้นที่สองรู้พร้อมทางกายรู้ทั่วพร้อมในเวทนารู้ทั่วพร้อมในจิตและทั่วพร้อมในอารมณ์ชั้นที่2ชั้นที่สท่านให้ศึกษาสิกขิให้ศึกษาในกายให้ศึกษาใน เวทนาให้ศึกษาในจิตและเช่ศึกษาในธรรมให้ศึกษารูชั้นที่สี่ท่านใช้คำว่าวิปัสสติรู้แจ้งโยตัตถะตัตถะวิปัสสติอสั่งฮิรังอสั่งกุปังตังวิทามนุกูหังเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนันอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะในที่นั้นๆอย่างแจ้งไม่งอนง่นคอนแคลน เขาคนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไวเพราะนะั้นรู้ถึงสี่ชั้นในศี่ประฐานนี่นะรู้ชัดรู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมศึกษาให้ละเอียดแล้วก็รู้ให้แจ้งให้แจม่มแจ้งทั้งสี่ชั้นเพราะฉะนั้นเราเวลาเราปฏิบัติเราก็จะเลืลึกถึงอาการเหล่านี้เสมอเออที่ว่ารู้ชัดรู้อย่างไรที่รียผู้ตัวทั่วพร้อมรู้อย่างไรรู้ใจ ให้ศึกษารู้อย่างไรแล้วก็รู้ให้แจ่มแจ้งรู้อย่างไรถ้าสี่คำนี้มันไม่อยู่ในหัวนะสถิติประธานก็แทบจะไม่ได้ผลอะไรมากมายทีนี้มันมีคำหนึ่งที่ว่าสัมปชัญญการีเรามาดูตีละตัวคําว่าประชานติแล้วว่ากันมารายละเอียดหลายวันละที่มาดูคําว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อย่างไร ถ้าเรารู้ไปหลงๆโดยที่ไม่มีจุดเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้ไปหลวมๆ ล, ล้วก็ง่ายต่อการหลงลืมที่เราเพลินที่เราเพลอกันน่ยเพราะเรารู้หลงๆนั่นแหละแต่ถ้าไม่เหอไม่เพลินเราจะแก้ไขยอย่างไรนะอันนี้เมื่อวานเราสอบกันเรื่องนั้นวันนี้เราควรจะแก้ยังไงประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งความว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยท่านใช้กับว่ามันมีสี่สเป้าหมายเป้าหมายที่หนึ่งท่านใช้กับว่า สาตทะสา ต, ะาสาตกะสัมปชัญญะรู้พร้อมถึงสาตกะสัตถะสัมปชัญญะถึงพร้อมด้วยประโยชน์ <c oughs> คือเป้าหมายว่าสมมติเราจะยกมือเนี่ยเป้าหมายคืออะไรประโยชน์มันคืออะไรอันนี้ส่มันคืออะไร ให้รู้ชัดตรงนี้ก่อนให้รู้เป้าหมายก่อนจะยกแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ยกไปเรื่อยๆเปืเป่อยๆนะ ร, รู้ถึงเป้าหมายว่าเรายกเพื่อเรานั่งท่านี้เรารู้สึกอย่างไรแล้วเราเคลื่อนเนี่ยเราเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นเพื่อผ่อนคลายควา ม, มขัดข้องไม่สบายจุดไหนเรามีการเคลื่อนเกินขึ้นเป้าหมายมันก็คือเพื่อบําบัดทุกเวทนาที่เกิดในขันนั้นนั้ น, น, นหรื อ, อเรียกกระศาสตรกาศ ร, รู้พร้อมประการที่หนึ่งเนี่ย รู้พร้อมเพื่อให้รู้ป้าหมายว่าการอากับกิริยาที่เราเปลี่ยนไปแต่ละครั้งเนี่ยเพื่ออะไรให้รู้ประโยชน์อันนีสงของมันอันที่หนึ่งที่ว่ารู้พร้อมคือรู้ในความหมายนี้นะอันที่สองท่านใช้ก็ว่าสปายะสปายะในการรู้พร้อมเนะรู้ให้สบายคำว่าสปายะรู้ให้สะดวกสบายอย่าไปรู้แบบเก็ตึงครึง่งเครียดหรือจดจ้องบีบคั้น อันนั้นไม่ใช่สมปชัญญละล้สมปชัญญะจะต้องมีสปายะคือผ่อนคลายและสบายแล้วก็สปายะและหมวดธรรมอันไหนที่มันสะดวกที่จะเข้ามาประกอบกับจุดเนี่ยเช่นความเพียรสติสมาธิที่มาประกอบในที่ให้มันเกิดความพร้อมเนี่ยให้เกิดความสบายเรียกว่าสปายะสัมปชัญญะรู้พร้อมในการที่จะทําให้มันรู้สึกผ่อนคลายและสบายเป้าหมายที่สองของข้าว่ารู้ตทั่วพร้อม อันที่สามท่านใช้่าโคจรสัมปชัญญะเราจะต้องมาดูว่าวิถีโคจรของของกายกับของจิตเนี่ยการโคจรเขาไปในลักษณะไหนคือการการรู้สึกในร่างกายและจิตเนี่ยที่ไป่ได้รู้สึกเนี่ยมัน <c oughs> มันทำหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของกายมันไหลไปทางไหน ไหลไปทางไหนเช่นหายใจมันก็โคจรเข้ามาสู่ร่างกายอิริบทตสก็เป็นตัวโคจรเข้ามาสู่ร่างกายที่ร่างกายจะต้องโคจรไปทางนี้ถ้าไม่โคจรไปทางนี้อยู่ไม่ได้ร่างกายต้องหายใจต้องเคลื่อนไหวทั้งอีริบทใหญ่อิบทย่อยทั้งท่าสี่อาการสิบสองรับรู้อาการของกายว่ามันดําเนินไปอย่างนี้นะคันรองของมัน ให้รู้โจรของวิธีโจรของกายมันจะต้องไปดำเนินไปอย่างเงี้ยนะอันที่สองรู้การโจรของจิตจิตของเรามันโจรไปอย่างไรในขณะนั่งมันโจรไปทางดีทางสบายหรือไม่สบายทางสุขหรือทางทุกข์ทางคิดปรุงแต่งหรือทางสงบหรือไม่สงบรู้วิธีโจรของมันออจิตมันต้องไปลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ยางอื่นหรอก ไม่ไปคิดปรุงแต่งมันก็สงบไม่สงบมันก็ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบจิตมันคิดไปทางกุศลไม่ไม่ทางกุศลก็เอากุศลมันที่ไม่มีทางกุศลกุศลมันก็เฉยเฉยซื่อๆนี่โคจรของจิตไปรู้ความทั่วพร้อมครั้งโคจรการเป็นไปของกายของจิตว่าดูวิถีโคจรของทั้งสองทางนี้นี่เรียกว่าปายะสัม โคจระสัมปัญญะอันที่สามอันที่สี่ท่านใช้ว่าอัมโมหะอันนี้สำคัญนะอัมนะโมหะในการดูทั้งสามอย่างทั้งต้นมาเนี่ยต้องตรวจสอบทบทวนอยู่เสมอว่า <c oughs> เป้าหมายที่เราจะทำอะไรแต่ละครั้งการจะยกมือแต่ละครั้งเรายกเพื่ออะไร <c oughs> การจะเปลี่ยนอีบทแต่ละครั้งเปลี่ยนไปเพื่ออะไร เราจะท่านั่งเนี่ยเพื่ออะไรเราจะยืนที่จะเดินจะนั่งเพื่ออะไรดูเป้าหมายตรงไห น, นชนาติทุกทุนอยู่เสมอนะไม่ใช่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จบไม่ใช่นะเออมันเปลี่ยนท่านี้มันจะไปท่าต่อไปไปไงไม่หลงลืมในสิ่งที่เราได้ทาํ า, ามาอาสโมหะอันที่สองะในส่วนที่เป็นสบายะเมื่อกี้มันสบายไปแล้วตัวนี้ทำามันไม่สบายแสดงว่าเราลืมไปละ ไอ้ตอนที่เรารู้จัดการให้สบายสักพักมันเกิดไม่สบายเราลืมในกาในการจัดการตรงนั้นมันเกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นอสัมมมหะแหละเ ป, เป็นสัมโมหะแต่การที่เขาไปทบทวนตรวจสอบอย่เสมอว่าคือขณะนี้มันสบายนะแล้วความสบายไม่จะหยุดไปได้เรื่อยๆได้ยังไงได้ยาวๆได้ยังไงคอยตรวจสอบเรื่อยๆเรียกว่าเป็นอสัมมมหะมีสติสัมปชัญญะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ โคจระกายเ ข, าข้าโูจรวิธีโคจรของกายเข้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะต้องดิ่นต้องเคลื่อนต้องไว้หายใจเข้าหายใจออกมันจะต้องหนักต้องนุ่งต้องไปไปมาอย่างนี้แหละทวนมันแล้ววิธีของจิตแหละเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวมันคิดดีเดี๋ยวไม่เคยได้เป็นเดี๋ยวเป็นกุศลอกุศลเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยคือนี่วิธีโคจรของมัน การที่เราเข้าไปตรวจสอบทั้งสามลักษณะอยู่เสมอสมๆเรียกว่าไม่หลงลืมเป้าหมายที่ผ่านมาเรียกว่าอัศโมหะซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ตรวจสอบทบทวนกันไม่ค่อยได้กล่าวถึงกันบ่อยๆแล้วก็ทุกตัพร้อมมันก็รู้หลวงหลวมอะเดี๋ยวมันก็เพ้ออีกเดี๋ยวมันก็ลืมอีกเดี๋ยวมันก็หลงอีกอยู่อย่างนั้นแหะแล้วก็ไปแก้ปลายเหตุแต่เราไม่รู้ว่าต้นเหตุเป็นเพราะอะไร รุนเหตุเพรา ะ, ะเพราะสัมโมหนะนั้นไม่ใช่โมหะธรรมดานะมันสัมโมหะเลยนะมันมันพร้อมทั้งหมดเลยมันลืมทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งใจทั้งสบายไม่สบายทั้งเป้าหมายหรือไม่เช่าหมายมันลืมหมดเลยเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบทั้งสามเป้าหมายว่าประโยชน์ประโยชน์อันนี้ส่งของมันคืออะไรสบายหรือไม่สบายกายกับใจไปด้วยกันไหม ทางสามตัวเนี่ยตรวจสอบเรื่อยๆลักษณะนี้ถ้าทําได้เพราะนั้นตัวอาัศโมหะจึงเป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาหรือเป็นโลคุตรปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐานสี่ถ้าไม่มีสสัมปชัญญะสี่ตัวเข้าไปกํากับสติปัฏฐานสี่นั้นมันก็เป็นไปทางสมถะอย่างเดียวไม่เป็นไปทางวิปัสนาเพราะนั้นตัวสัมปชัญญะที่เป็นตัวแปลว่าสมถะสติปัฏฐานสี่จะไปในทาง สมถาะาหรือว่าศาสนาคือตัวสมรย่เป็นตัวแปรถ้าหาว่าทําได้ดีตัวนี้ก็จะเป็นสัมมาสมาธิด้วยตัวแปรที่จะแปรให้สัมมาสติให้เป็นสัมมาสมาธิต้องอาศัยตัวสัมปัญญะสีเนี่ยเข้าไปกํากับถ้าไม่มีสัมปญะที่เข้าไปกํากับตัวสัมมาสติก็ไปเปลี่ยนเป็นส ม, มาสมาธิไม่ได้ ซึ่งเราไม่ได้เน้นกันแต่แต่ตันกเกงว่ามันละเอียดอื่นไปเราอาจจะขี้สับสนแต่ที่นี้เรามีพื้นฐานมาหลายวันละน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้และน่าจะทำได้ด้วยว่าเป้าหมายในการที่เรายืนเดินนั่งนอนยกมือดีบทใหญ่อีบทยอดเพื่ออะไรเป้าหมายเรียกว่าสถานการณ์แลทำให้มันถูกต้องให้มันสบายให้ผ่อนคลายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันหย่อนเกินไปให้มันพอดี เป็นสปายะนะแล้วก็ดูความเป็นไปของกายของจิตเขาสัมพันธ์กันอย่างไรขณะนี้ปัญหาทางกายโคจรมาท้งนี้มันเป็นอุบัตรักด์มีอุปัตร์หมการโคจรของมันแก้ไขจิตของเราเราจะให้เขาโคจรไปทางไหนและเขาโคจรไปในทางที่ไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจัดการเขาได้ไหมวิธีโคจรเพราะนั้นถ้าหากว่าผิดทางแล้ว มันก็โอกาสที่จะเกิดปัญหาละเหมือนเส้นทางบกการโคจรของรถเขาก็ให้มันไปโคจรทางไม่ให้มันชนกันโคจรทางอากาศเขาก็ให้มันไปโคจรชั้นบรรยากาศไม่ให้ไปชั้นเดียวกันถ้าไปชั้นเดียวกันผิดวิถีโคจรได้ไงชนกันแหลกลานถึงแม้มันจะกว้างขวางก็ตามโอกาสด้ชนกันต้องไต่โคจรระดับเหมือนกันกายกับใจ ต้องให้ไม่ให้มันชนกันจะให้มันช็อตกันให้ดูวิถีของใครของมันนี่เรียกว่าอสามมหะสัมปัญญาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องทบทวนตรวจสอบบ่อยๆนะถ้าหากว่าเรานับปฏิบัติเราต้องการหวังความก้าวหน้าเพื่อที่จะให้เราจิตของเราเนี่ยพ้นมาจากวิถีแห่งโลภิยะ มันก็ไม่ใช่ง่ายมันจะต้องขอบวนการขั้นตอนเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาจะส่งล็อกเก็ตขึ้นไปด า, ดาวดวงอื่นเนี่ยเขาจะต้องมีกระบวนการจัดการสร้างอย่างซับซ้อนล ะ, ละเอียดมากพอพลาดไม่ได้พลาดมันหมายถึงตายแล้วก็ศูนเงินมหาศาลเหมือนกันในการศึกษาวิปัสสนาก็เชื่อเช่นเดียวกันถ้าเราไม่เอียดเพียงพอเนี่ยเราเราพลาดแล้วก็หมายความว่าเราก็ไปคนละทาง คนเราทางเป็นมิจฉาทิฐิถ้าพลาดนะฮะเพราะเราต้องการสัมมาทิฐิเพราะนั้นกระบวนการขั้นตอนในการศึกษาก็ต้องละเอียดถี่ถ้วนไม่แพ้ไปกับทางด้านวัตถุนะนั้นกฎที่เราเขาจะสร้างล็อกเกตขึ้นมาเพื่อที่จะหนีวิธีการดึงดูดของโ ล, โลกิยะคือโลกเนี่ยไปสูรร่ดาวดวงใหม่คือโลกุตระน์ดาวดวงใหม่เหมือนเหมือนเป็นโลกุตละมันจะต้องหนีศูนย์แห่งการดึงดูดที่ยัง อย่างมหาศาลใช้พลังสูงมากทีเดียวเพราะนั้นเชือเพิงที่จะใช้ในล็อกเก็ตแต่ละตัวเนี่ยมัน ต, ต้องใช้หลายคอกหลายชั้นแล้วเป็นเชือเพิงพิเศษที่จะทะยานออกจากการดึงดูดของโลกให้ได้เนี่ยจนหลุดลอยไปสู่ชั้นอวกาศให้ได้เหมือนกันตัวแรงดึงดูดของโลกิยะที่มันดึงดูดจิตของเราไปสู่ความเพลินความหลงโดยอาศัยยตนะทั้งหกเนี่ยที่มีพลังดึงดูดเราก็ติด สิ่งที่เราเห็นเราชอบมันสวยมันก็ดึงดูดเราไว้ตรงนั้นแหละแล้จีของเรานึกขึ้นมาได้ก็ไอ้นึกถึงสีเราเห็นนั่นแหละมันจะเป็นภาพพุทธขึ้นมาในใจตาในที่มันจะคิดอะไรได้อาศัยตานอกที่มันสั่งสมความชอบแล้วม่ชอบเอาไว้มันดึงดูดเราอาศัยความชอบนั่นแหละดึงดูดเราพอเราไม่มีสติสัญญาเข้าไปจัดการมันก็ติดแงกอยู่แค่นั้นอะไปไหนไม่ได้ ทั้งตาทั้งหูก็เหมือนกันนะเราชอบฟังเมื่อก่อนในสมัยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราชอบฟังเพลงนั่นเพลงนี่เพลงจะติกลเพลงลูกทุ่งอชอบฟังอะไรต่อมาเรามีการปฏิบัติธรรมดีขึ้นมาหน่อยอชอบฟังธรรมะอชอบฟังการบรรยายคนนู้นคนนี้ชอบถ้าพวกนักการเมืองก็ชอบพวกนักการเมืองนักกฎหมายก็ชอบฟังเรื่องกฎหมาย นักการเกษตรชอบในะเรื่องการเกษตรแต่เรานักปฏิบัติธรรมเราก็ชอบฟังพระพูดเปิดวิญยาไม่พอเปิดหูฟังใสอีกตลอดนะเห็นหในความมาดึงดูดมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นบรรยากาศที่ที่ต่ำสุดขึ้นไปสูงนะ่มันก็จะมีความละเอียดของมันแล้วก็ความดึงดูดทางจมูก อันนี้ก็เหมือนกันถ้าวันไหนเราทานจมูกกับลิ้นเนี่ยมันมันใกล้กันมันทางานร่วมกันถ้าทานอาหารอันไหนไม่มีกลิ่นไม่มีรสอ่ารู้สึกจะทานไม่ได้มันจะต้องกินถูกจมูกด้วยรสถูกลิ้นด้วยสองตัวเนี่มาร่วมกันมาถึงรุนแรงมันสองเท่าไงมันได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งลิ้นมันสองเท่าฉะนั้นทั้งหมดก็ตัวก็รับรู้คือจิตนี่แหละเราก็ไป รับแรงดึงดูดของมันได้คิดถึงมันตลอดนะคีดปรุงแต่งในเรื่องอาหารเวลาหิวขึ้นมาโอ้อาหารนั้นน่าจะอร่อยอาหารนี่จะอร่อยเวลาเราปฏิบัติธรรมเรากินอาหารทานอาหารไม่เต็มที่เรากางังวลเราจะไปโรคไข้เจ็บขาดท่าอาหารนะน อ, นอันนู้นอันนี้อันนั้นหรือเปล่ามันจะปรุงแต่งไปเราก็ไม่รู้เ่าทันมันเพราะว่าสติสัมปชัญญะเราไม่ได้ฝึกนะแล้วก็ในส่วนของการดึงดูดของกายก็ ร้ายไม่น้อยไปกว่าเพราะนั่นในในเรื่องของกายก็ยิ่งคือแต่ละชั้นนั้นมันจะรุนแรงไปเรื่อยๆตานี่ถือว่าเบาที่สุดแล้วนะความดึงดูดทั้งมันนะหูก็แรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งจมูกกับลิ้นเนี่ยบวกกันไปเดยสองเท่าทำงานร่วมกันกายก็เช่นเดียวกายก็ดึงดูดไม่ใช่น้อยจนเรอทั่งสัมพัสสัต ท, ทั้งหลายไม่สามารถจะอยู่เอง เปล่ยวเปียวเดือดได้ได้จะต้องมีคู่มีคีมมีคนเข้ามาตอบสนองความต้องการความอยากความต้องการเราติดในเรื่องการนอนติดเรื่องขี้เกียจเพราะเราเสพสุกกับสัมผัสที่ดึงดูดเราอยู่เราขนาดสามารถว่าทํางานเป็นทุกได้ชีวิตตลอดชีวิตก็ก็ยอมขอให้ได้สิ่งเหล่านี้ตามต้องการขอให้เป็นตกเป็นทาสตลอดชีวิตก็ตาม ขอให้ได้มีไอที่ดีให้ผัวที่ดีได้ลูกที่ดีเพื่อจะได้สัมผัสแล้วไม่ไมีแดงหนึ่งดุขนาดทั้งชีวิตเลยนะอุทิศให้กับเรื่องนี้ทั้งหมดมันคุ้มกันไหมทั้งที่ว่าแรงดึงดูดเหล่านี้ก็นําไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้นําไปพ้นทุกข์ไปไหนเลยแต่เราอุทิศทั้งชีวิตให้ทั้งชีวิตให้มันอนะกับสัมผัสทางกายเนะี่ยเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าทีเดียวนะนะกายสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือตา เรียกว่าจา่ามหล า, าศสวรรค์ท่านที่สองคือหูเรียกว่าดาวดึงสวรรค์ท่านที่สามคือจมูกเรียกว่ายามาหายใจเป็นยายามสวรรค์ท่านที่สี่เรียกว่าดูสิดสินแปลว่าลิ้นนะสวรรค์ท่านที่ห้าคือกายคือสัมผัสต่ตางๆสวรรค์ชั้นที่หก็คือใจเพราะนั้นใจก็เป็นตัวรับแรงดึงดูดทั้งทั้งขึ้นทั้งล่องทั้ง ทั้งให้ทั้งรับว่าันเทั้งให้ทั้งรับเพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละเป็นผู้รอรับผลนะรนะอรับผลด้วยอาศัยมือไม้เพราะะนั้นสวรรค์ทั้นที่หถึงใช้ว่าประดมิตตสวดีใช้อำนาจในการบังคับใช้คนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเราจึงเรียกสวรรค์ชัน้นนี้ปร ะ, ระนะประับป ร, ปรัสวดีประวัสวดี อาศัยอําอนาจของผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองก็คือใจนั่นแหละเพราะนั่นตามหูจมูกล่างกายก็ต้องเป็นธาตุของมันตกเป็นธาตุเราก็ตกเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่ว่าชั้นบัรยากาศความดึงดูดมันรุนแรงขนาดนี้ถ้าเราไม่มีอํานาจของการสติสัมปชญญะที่ฝึกฝนอย่างตโตเนื่องเข้มแข็งเนี่ยมีโอกาสไหมเราจะออกจากความดึงดูดของสิ่งเหล่านี้ ยากนะเพราะฉะนั้นเราทำเล่นๆไม่ได้เลยและทำก็จะต้องให้มันถูกต้องตามกระบวนการที่พระบรมศาสดาของเราได้ตรัสรู้มาเราจะทําเล่นๆหัวหัวดโน่ oh, oh, oh, นนี่มันไม่ได้เนี่ยเพื่อประดับบารามีประดับความรู้ประดับการกระทําใหนะ้ดูดีมั น, ม, นมันไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการออกจากภพจกากชาติในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการทําจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนอ่าชัดเจนเพราะในสี่พรรษาสี่นั้นจึง ล็อกเอาไว้ทั้งสชั้นนะต้องรู้ชัดนะต้องรู้ให้พร้อมนะแล้วต้องรู้ให้ลึกนะและต้องรู้ให้แจ้งนันช้ของปัญญาติสัมปาาัญญคสิกขิและวิปัสสติทั้งสี่คำเนี่ยนะและทั้งสี่คำนี้มันจะมีผลและสนับสนุนให้เป็นไปได้เขา อ, อาศัยสัมปชัญญะสีดังที่กล่าวแล้วดังนั้น บทเรียนในวันนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องของสัมปชัญญะว่าเราจะตามรู้ว่าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งของกายเป้าหมายคืออะไรการพูดแต่ละครั้งวาจาที่สื่อออกไปเอ่ยปากพูดแต่ละครั้งเป้าหมายที่แท้จริงเราต้องการอะไรและความคิดที่จะเริ่มจะคิดออกไปเนี่ยเราคิดเพื่ออะไร เราต้องตรวจสอบละทีนี้ตรวจสอบ ป, ประตูทั้งสามประตูกายประตูวาจาและประตูจิตของเราเนี่ยเราทั้งเปิดออกไปแล้วก็เปิดรับคนอื่นเข้ามาเราจะเปิดออกไปเราจะไปที่ไหนแล้วรับคนอื่นเข้ามารับมาเพื่ออะไรตรวจสอบละทั้งประตูกายประตูวาจาและประตูจิตเนี่ยเป้าหมายที่หนึ่งนะตรวจสอบสิ่งที่เราจะทําเนี่ย หมายทําให้ได้มากที่สุดอะแต่ว่าไม่ได้หวังว่าจะทําได้ทุกทุกเรื่องในร้อยเป้าหมายนี่นะที่เราจะทําที่แสดงออกทางกายวาจาใจแต่ละครั้งเนี่ยแต่พยายามตามรู้ว่าอันนี้เพื่ออันนี้นะแล้วก็สบายไหมในการที่เราแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจรู้สึกสบายเป็นไปเพื่อตนเองสบายและเป็นไปเพื่อให้คนอื่นได้สบายใจไหมสบายยะ ทั้ที่สามโจรนะสิ่งที่โคจรเข้ามาทางต า, างหูจมูกลิ้นกายใจที่เข้าจโจรโจรเข้ามาเราเรียกว่าหัตถสาเข้ามากระทบเนี่ยมันมาในทางกุศลและอกุศลแล้วเราเปิดรับมันด้วยกุศลและอกุศลถ้ามันมาทางอากุศลเช่นเขาด่าเขาตําหนิเรามันมาทางอากุศลที่นี่เราจะเปิดรับไหมจะเปิดรับด้วยวิธีใดท่าทีไหน ดูโคจรของมันก็ด้วยสติสัำระเหมือนกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะทบทวนต่อตรวจสอบเรื่อยๆเพราะมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ออกไปเรื่อยๆเราจะทำครั้งเดียวเสร็จก็ไม่ได้เออมื่อกี้มันคิดแล้วแล้วไปเรื่องคิดใหม่เข้ามาฉันไม่สนใจตั้งท่าดูสักความคิดหนึ่งเอาความคิดต่อไปก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่มีไม่มีอสัมโมหะละเป็นสัมโมหาโดยตลอดเหมือนกัน นันะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนะรเป็นที่เอียดแต่ว่าเราก็ศึกษาตามระดับสติปัญญาของเรานี่แหละตามสติกำลังที่เราสวดซ่าซ่าโนปฏิปฏิป ฏ, ป ฏ, ปฏิบัติตามสติกำลังแล้วเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องไม่ลืมเป้าหมายว่าทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายโดยที่ทำให้มัน ติดตึงครึ่องเครียดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่เพราะอะไรเพราะความอยากนะอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันชัดอยากจะให้มันสบายมีความอยากแทรกเข้าไปเล็ ก, ลกแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นเบื้องแรกที่สุดเราจะต้องตรวจสอบตัวที่จะทําให้ตึงเต็ดตึงเครึ่องเครียดไม่สบายคือชั่วความอยากและตัวคํายึดอยากจะให้มันเป็นอย่างที่ต้องการอยากก็ยึดให้มันมาพี่น้องกัน เป็นตัวสําคัญหัวหน้ามันคืออวิชชาผลข้อมันคือกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจริงย่อไอตัวปฏิสุบัติออกมาเรื่องเกิดเสียอวิชชาตันหาอุปทานกรรมปฏิสบัติทั้งหมดตัวจากสําคัญคือตันหาและอุปทานตัวหัวขบวนสาคัญคืออวิชชาและตัวรับผลของการกระทําทั้งหมดคือกรรมจะเป็นกรรมดีกรรมชัว่วกรรมถูกกรรมผิดก็แล้วแต่และเพราะนั้นเราก็ตระหนักรู้ตระหนักรู้ว่า ผลที่เราเผลอก็ดีเราเพลินก็ ด, กกดีคืออวิชชาและหัวใกที่มันจะทำงานรับช่วงต่อไปคือตัณหาและอุปทานเราสิ่งที่ออกมาเราจะต้องรับล้ววันนี้สบายหรือไม่สบายถ้าสบายก็ เ, เป็นกุศลแลกรรมไปถ้าไม่สบายก็ทาเรื่อกุศลกุศลคือคือรู้จักคือทำเป็นจัดการเป็นคำว่ากุศลคือทำให้เป็น แต่ว่าอากุศลคือทําไม่เป็นรับไม่เป็นเผลอเข้ามาก็จัดการไม่เป็นเพลินเข้ามาก็จัดการไม่เป็นเป็นอกุศลนะเพราะฉะนั้นในคําว่ากุศลนี่ตามหลักคือฉลาดโดยธรรมนั่นแหละไม่ใช่ว่ากโลบายบ้างอุบายบ้างคำคำนี้กับโยนิโสมันเิการนะเดียวกันดังนั้นเองในวันเนี้ยเราเรามาศึกษาสัมมัญญาตรงนี้ดูนะการที่จะ ลุกแต่ละครั้งกันจะก้าวแต่ละครั้งเป้าหมายเพื่อให้รู้อะไรรู้หนักรู้เบาหายใจเข้าเป้าหมายคืออะไรหายใจออกเป้าหมายคืออะไรตามรู้ไปอย่างนี้แหละแล้วก็รู้เล่นๆรู้สบายๆศึกษาเล่นๆถ้าศึกษาจริงจังตั้งใจเอาจนให้รู้เรื่องกันถี่ยิบเนี่ยเอาแล้วสักพักหนึ่งเราทําด้วยความอยากแล้วนั่นแหละทำด้วยความอยากก็จะเคลียดแล้วทีเนี้ ปวดหัวปวดหลังเครียดเนี่ยคือความยากมันอยู่ตรงนี้เองในการวางใจว่าทำด้วยศรัทธาแต่ไม่ได้ทำด้วยตัณหาทำด้วยปัญญาแต่ไม่ได้ทำด้วยอุปท า, านเนี่ยเราจะแยกตรงนี้ไม่ว่าระหว่างศรัทธากับความอยากมันเหมือนกันหรือตัดกันศรัทธากับตัณหาและอุปท า, านและปัญญา <c oughs> ความยึด กับผ่อนคลายต่างกันถ้าเกิดปัญญา้องจะเกิดการผ่อนคลายนะแต่ถ้าปัญญาที่มันบีบคั้นอ น, นั้นไม่ใช่ปัญญาที่เป็นใ น, ในเรื่องของวิปัสนาละปัญญาที่เป็นตัววิปัสนาต้องเป็นปัญญาที่ทําให้ปลดล็อกผ่อนคลายที่เป็นโลกุตละปัญญาโดยที่ไม่มีอารมณ์ในส่วนดึงดูดของโลกิยะเข้าไปมีส่วนแต่มันเหนืออารมณ์ที่เป็นโลกิยะก็เรียกว่าโลกุตละปัญญา เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบในการลุกการเดินการไปสังเกตไปเรื่อยสังเกตในการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยสังเกตที่ความสบายไม่สบายผ่อนคลายหรือตึงเครียดแล้วเข้าไปแก้เข้าไปปรับเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่แค่สัมบัญาแค่นี้แหละ ท, ที่กล่าวมาทั้งหมดเอาแค่นี้ต้องการหัวหั ว, ห, วหัวยาแค่นี้สังเกตสบายกายหรไม่สบายกายไม่สบายตรงไหน ใจสบายหรือไม่สบายไม่สบายตรงไหนปวดตรงนั้นออกมาแล้วก็ปรับปวดแล้วก็ปรับปวดแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆยากไหมไม่ยากปวดเรียนปเรียนไม่แต่มีรายละเอยียดสูงเท่านั้นเองรายละเอียดตามที่กล่าวมานี่แหละจะทําทไปแล้วถ้ามันผิดตัดขัดข้องตรงไห น, น ก, ก็ปรึกษานะข้อคุ้าไว้ใจาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษา แล้วก็เป็นเป็นกำลังใจด้วยการทําให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสเด็กนะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยเราจะพยายามศึกษาวมกันไปศึกษาลงกันไปในวิธีการวัวเทียนว่าหนึ่งบอกให้รู้สองทำให้ดูสามอยู่ให้เห็นสี่ทำให้เป็นห้าเย็นให้สัมผัสบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทาให้เป็นเย็นให้สัมผัส โอเคนะโอเคงั้นก็เอาแค่นี้กลับภาคภ้องกัน